พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาสุทัศนสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดิพระสูตรนี้เท่ากับเป็นการขยายความในมหาปรินิพา น, นสูตรตอนที่ตรัสต่อพระอานนท์เรื่องกรุงกุศินาราเคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวรตีซึ่งพระเจ้ามหาสุทัศนจักรพรรดิทรงปกครองพระผู้มีพระภาค ทรงพันนาความมั่งคั่งสมบูรณ์ของกรุงกุสาวตีและทรงพันนาถึงรัตนเจ็ดประการที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะจกกักรพรรดิคือ 1. จากแก้วซึ่งหมุนไปในทิศ ต, ต่างๆได้นำชัยชนะมาสู่ 2. ช้างแก้วเป็นช้างเผือกชื่ออุโบสถ 3. มม้าแก้วสีขาวล้วน ชื่อว่าลาหกสแก้วมณีเป็นแก้วไพยทูลหนางแก้วรูปร่างงดงามมีสัมผัสนิ่มนวล 6. คขุนคลางแก้วหรือขหปฏิรัตนะช่วยจัดการทรัพย์สินอย่างดีเลิศ 7. ขุนพลแก้วหรือปรินายกรัตนะบัณฑิตผู้สั่งสอนแนะนำ อันหนึ่งพระเจ้ามหาสุทาาัศนะจักรพรรดิทรงมีความสำเร็จหรือฤทธิ์สี่ประการคือ 1. รูปงาม 2. อ, อายุยืน 3. ม, มีโรคน้อย 4. เป็นที่รักของพราหมณ์และเคระหะบดีหรือประชาชนนอกจากนั้นยังทรงพันนาถึงสะพโบครณี ทรัพย์สินปราศาสตร์อันวิจิตงดงามน่าชื่นชมการบำเพ็ญฌานและพรมวิหารครั้นแล้วทรงแสดงว่าพระเจ้ามหาสุทัศนจักพัตทรงเห็นว่าผลดีต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะผลแห่งกรรมดีคือทานการให้ธรรมะการฝึกจิตและสัญญมะการสำรวมจิต จึงทรงบำเพ็ญฌานสงบความตรึกทางกรรมความตรึกทางพยาบาทและความตรึกทางเบียดเบียนได้บรรลุฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ทรงแผ่พระมนัตอันประกอบด้วยเมตตาคือคิดให้เป็นสุขกรุณาคิดให้พ้นทุกข์มุทิตาปล่อยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาวางใจเป็นกลางไปทั้งสี่ทิศ ทรงสั่งลดการเข้าเฝ้าให้น้อยลงเพื่อทรงมีเวลาอบรมทางจิตใจได้มากขึ้นภายหลังพระราชเทวีพระนามว่าสุพัทธาสั่งจัดจัตุรังคินีเสนาคือทับช้างทับมา้าทับรถทับเดินเท้าซึ่งขุนพลแก้วก็จัดให้พระนางเดินทางไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะขอให้ทรงเห็นแก่สมบัติเห็นแก่ชีวิต แต่กลับตรัสตอบขอให้พระราชเทวีส่งขอร้องใหม่ในทางตรงกันข้ามคืออย่าเห็นแก่สมบัติอย่าเห็นแก่ชีวิตเพราะการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นของธรรมดาการตายของผู้มีความกังวลห่วงใยเป็นทุกข์และถูกติเตียนพระราชเทวีก็ส่งพระกันแสงและฝืนพระหฤทยัยเช็ดน้ำพระเนตร ขอร้องใหม่ตามที่พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงแนะนำนั้นและต่อมาไม่ช้าพระเจ้ามหาสุทัศนะก็สวรรคตและเข้าถึงกรมมโลกเพราะทรงเจริญพรมวิหารตรัสสรุปเป็นคำสอนรันแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสสรุปว่าพระองค์เองได้เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะจกักรพรรดนั้น รังพร้อมสมบูรณ์ด้วยสมบัตินานาประการแม้จะมีนครอยู่ในปกครองมากมายก็อยู่ครอบครองได้เพียงนครเดียวคือนครกุสาวตีแม้จะมีปราสาทมากมายแต่ก็อยู่ครอบครองได้เพียงปราสาทเดียวคือธรรมะปราสาทแม้จะมีเรือนยอดมากมายแต่ก็อยู่ครอบครองได้เพียงหลังเดียวคือเรือนยอดชื่อมหาวิยูหะ แม้จะมีบรลลังมากหลายแต่ก็ได้ใช้คราวละเพียงบรลลังเดียวแม้มีช้างมากหลายแต่ก็ขึ้นขี่ได้เพียงคราวละตัวเดียวคือพญาช้างอุโบสถแม้จะมีม้ามากหลายแต่ก็ขึ้นขี่ได้เพียงคราวละตัวเดียวคือพยาม้าวลาหกแม้จะมีรถมากหลายแต่ก็ขึ้นสู่ได้เพียงคราวละคันเดียวคือรถเวชยัน แม้จะมีสตรีมากหลายแต่ก็มีสตรีที่ปฏิบัติรับใช้เพียงคราวละคนเดียวแม้จะมีคู่ผ้าคือผ้านุ่งผ้าห่มมากหลายแต่ก็นุ่งห่มเพียงคราวละคู่เดียวแม้จะมีถาดอาหารมากหลายแต่ก็บริโภคได้อย่างมากเพียงจุทนานเดียวพร้อมทั้งกับข้าวดูเถิดอานน์สังขารทั้งปวงเหล่านั้นล่วงไปแล้ว ดับแล้วรนแปรแล้วสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าวางใจอย่างนี้จึงควรที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อจะคลายกำหนัดควรเพื่อจะพ้นไปเสียสำหรับคำว่ามากหลายในที่นี้เป็นการถือเอาความจากคำว่าแปด0มื่นสี่พันคือไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขเท่านั้น ใช้เป็นสำนวนสำหรับหมายความว่ามาก